260ผู้พ้นทุกข์อริยสัจได้ก็ต้องมีอำนาจคนไทยเมืองพุทธก็ได้เรียนกันมามากว่าพระพุทธเจ้าให้เรียนรู้เรื่องสำคัญที่สุดก็คืออริยรสัจสี่โดยเฉพาะความทุกข์ในมนุษย์โซกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายานั้น ไม่ควรบรรจุแทรกอยู่ในนิยายชีวิตของเราเลยทุกคนในโลกโดยเฉพาะชาวไทยที่เป็นพุทธถึง 95% หรือใครใครก็ตามไม่มีใครหรอกที่ต้องการมีทุกข์ไม่มีใครเลยที่ต้องการมีความโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตแน่ และต่างก็เชื่อสนิทใจ ย, ยิ่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องทุกข่าอริยศัสจริงและพระองค์ก็พ้นทุกข่าอริยศัสจริงมีคนพ้นทุกขอริยศัส ต, ตามพระพุทธองค์มาแล้วมากมายจริงอีกพร้อมทางทรงสอนทฤษฎีที่พ้นทุกขอริยศัสจริงนี้ไว้ด้วย แม้ทุกวันนี้ก็ยังมีคำสอนที่จริงนั้นหลักฐานยืนยันก็มีพระไตรปิฎกนี่ไงที่บันทึกคำสอนทฤษฎีที่พ้นทุกขอาอริยสัจของพระพุทธเจ้าเหลืออยู่แท้แต่ทำไมคนไทยตั้ง 95% ที่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงไม่สามารถพ้นทุกขะอริยสัจ โภนโศกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตกันให้สมกับที่คนในโลกยกย่องว่าเป็นเมืองพุทธพระพุทธเจ้าให้เรียนรู้เรื่องอริยสัจสีจึงจะสามารถเข้าถึงอำนาจที่พาผลทุก์ได้เด็ดขาดแท้จริงในศาสนาพุทธมีอำนาจนี้แลเป็นคำสอนอันประเสรศิฐ